ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่รต่วมปพิญญากำลังนำเสนอเรื่องสมารกรมันตั้งแล้วก็เน้นในสีลข้อปณาติบาตออกไปมากเพราะเห็นว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาที่ถาวรราะการเบียดเบียนการการรมและทศรายการในหมู่สัตว์ทั้งหลายนั้นยากต่อการจะแก้ไข แต่มันก็ถึงคราวที่จะต้องบรรเทาให้เบาบางลงไปถ้าไม่งั้นปัญหามันก็เกิดไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าศีลเนี่ยท่านนับเป็นสิขาบทคือก้าวของการศึกษาก็ว่ากันเป็นขั้ น, นไปแ ต, แต่ใจมันเดินไปจนถึงเมตตาได้เนี่ยศีลทั้งหลายก็ชื่อว่าได้รับการประพฤติปฏิบัติไปแล้วโดยสมบูรณ์ เพราะไรเพราะว่าใจมันอยู่เหนือความคิดที่จะไปละเมิดสิทธิในชีวิตเป็นต้นของบุคคลอื่นแล้วเ่ราะไรเพราะเรามองเขาด้วยเมตตาทีนี้ถ้าเรามองเมตตาที่ขนได้นี่นะฮะทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นเราก็มองด้วยความไม่โลภได้ข้อนี้เราสังเกตจิตมันทาได้อยู่แล้วโดยธรรมาชาติแต่เราไม่คิดเอง แต่เช่นสมมติว่าพ่อแม่เห็นเงินของลูกวางทิ้งเอาไว้เนี่ยมันไม่โลบอยากได้แต่เกิดสงสารเกิดกรุณาเลยแล้วก็เก็บสตางค์เหล่านั้นเอาไว้ให้ลูกคือไม่คิดแม้แต่จะยักยอกเอาไว้เป็นของส่วนตัวแต่อาจจะเอามาเป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนลูกนะก็ได้ เพราะว่ายังคงเป็นกรุณาอยู่นั่นเองเนื่องจากการขาดสติการปล่อยประละเลยการไม่ระ ม, มัดระวังเนี่ยทิงทิงคว่างคว้างทรัพย์สินเงินทองเอาไว้เนี่ยไอพ่อแม่ญาติพี่น้องเห็นนะ่ยมันก็ดีไปแต่ถ้าคนอื่นเห็นนะ่ยจะทํำยังไงเพราะการเก็บไว้ให้มันก็เก็บด้วยกรุณาหรือเก็บไว้เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการอบรมสั่งสอนลูกก็ทําด้วยกรุณา ก็แสดงว่าไอ้จิตที่มันพัฒนาขึ้นไปจากสิงข้อที่หนึ่งเนี่ยมันสร้างสิงข้อที่สองโดยและสร้างสินข้อที่สามโดยเพราะเราลองมองเลยไปสมมติว่าเราเมตตานายกเนี่ยเป็นมิตรรักใครสนิทสนองกับ น, นายกอมากแม้มีการมีโอกาสอะไรอำนวยให้นะฮะ แต่จะไม่ละเมิดสิทธิในพัญญางนายก่อนบางครั้งบางคราวตัวเองต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเพราะพัญญาของเพื่อนถูกรังแกก็เสี่ยงเข้าไปปกป้องคุ้มครองเขานั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นอาการแผ่ไปของจิตเป็นกระบวนการเลื่อนไหลของธรรมะเราทำให้การกระทานั้นออกมาในรูปบวกตลอด ตนเองนั้นไม่ร่วงละเมิดอยู่แล้วแล้วก็เวลาคนอื่นล่วงละเมิดเราอาจเกิดการุณาทั้งตัวนายกอแล้วก็ตัวพัญญากุนนายกอก็ปกป้องคุ้มครองให้มีภัยมีอันตรายก็สามารถเป็นที่พึ่งความนักได้เพราะความรู้สึกไม่ตาเนี่ยที่จริงก็คือรู้สึกเป็นมิตรนั่นเอง เพื่อก็กลายเป็นรักใคร่ร่วมทุกข์ร่วมทุกข ก, กันได้แนะ น, นําในสิ่งที่เป็นประโยชน์แนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็วักยามประสบภัยอันตรายก็เป็นที่พึ่งความนักอันใยได้เป็นต้นเนี่ยีข้อต่อไปคืออธินาทานาเวรมณีมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เคยสังเกตและมาเองก็ค่อนข้างติดอยู่อย่างนั้นเหมือนกันนะคือเกรงใจอยู่ ไม่กล้าอธิบายแล้วก็ต่อมาเราก็ลองคุยกับญาติโยมบางทีเนี่ยก็ถามเรื่องศีลถามเรื่ององค์ประกอบของศีลทำมาอย่างไงรียกว่าศีลขาดศีลทะลุเนี่ยโยมไม่รู้เรื่องไงคือไม่เคยศึกษามาแต่พอดีก็มีโอกาสดีที่มามีรายการบรรยายที่จึกสวธรรมนิเวศมายี่สิบกว่าปีละทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ แล้วเราก็สอดแทรกเข้าไปในนิทานบ้างในชาดกบ้างในอะไรบ้างเนี่ยอธิบายเรื่องของสีหน้าเพราะสีหนเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทําไปนะเกีย่ยวกัความถ้าเราแก้ปัญหาระดับให้เกิดสวัสดิภาพชั้นของศีหน้าได้เนี่ยนะทังคมสันติได้ทันทีเลยอย่างอื่นมันเป็นเรื่องปลีกย่อยมันไม่ได้มีความสลักสําคัญอะไรหรอกเช่น ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการเมืองปัญหาความมั่นคงอะไรต่อไรเนี่ยเราไปให้ความสําคัญมันแต่เราลืมว่าตัวการใหญ่เนี่ยมาจากคนมีความบกพร่องในทางศีลธรรมทีนี้ถ้าคนอยู่ในศีลในธรรมแล้วเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันมันต้องสงบเพราะถ้าเราไปสาวที่ปัญหาก็เห็นว่ามันก็ผิดศีลน่ะผิดศีลก็อปานาข้ อ, อทินนาข้อกาเมก็อมุสาข้อสุราอย่างเนี้ย เพียงแต่ว่าเราแยกมองแต่นั้นเองเราแยกมองว่าปัญหายาบ้าเนี่ยเราจะมองเป็นปัญหาอะไรล่ะมองเป็นปัญหายากรรมเหรอถ้ามองเป็นปัญหาเศรษฐกิจได้ไหมมองเป็นปัญหาสังคมได้ไหมมองเป็นปัญหาศีลธรรมได้ไหมมองเป็นปัญหาการเมืองได้ไหมมองเป็นปัญหาความมั่นคงได้ไมันก็ได้ทั้งนั้นนะะมันเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่า ต่างคนต่างมองมันก่อนก็ไปอภิปรายที่พุทธมณฑลเดี๋ยวก็มโนได้พูดเรื่องการเผยแผนะแ่มาก็เสนอด้วยโครงสร้างของธรมิหารไอ้ไม่ใช่โครงสร้างของอริยสัจเนี่ยนะคือจะเห็นว่างานมันจะเป็นยังไงก็สร้างมันนะ่ะโลกมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยไปแต่ว่าจริงๆแล้ววิถีสังคมวิถีชีวิต วิถีของโลกเนี่ยมันก็คือกระบวนการของอริยสัจทั้งสี่ประการถ้าเรายัางคงเนื้อหาก้องความเป็นอริอรยสัจทั้งสี่ประการไม่ได้เนี่ยพวกเราต้องเข้าใจโดยเนื้อหาอย่างในกรณีเนี่ยเราก็มองก็คือตัวสภาพปัญหาต่างๆเนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น นะความไม่รู้ความยากไร้โรคภัยไข้เจ็บขาดการวางแผนครอบครัวหรือว่าโง่จนเจ็บอะไรแต่อลไรที่เราพูดมากมายไก่กองเนี่ย น, นั้นมันคือสภาพปัญหามันเป็นผลเป็นผลที่ต้องมาจากเหตุทีนี้ทำยังไงถึงจะสาวไปถึงเหตุเพราะงั้นต้องทำงานประสานงานกันระหว่างคณะสงฆ์กับองค์กรต่างๆในบ้านในเมืองเนี่ยนะ คืท่านยังไงว่าประสานข้อมูลประสานแผนประสานนโยบายประสานข้อมูลประสานภารกิจประสานงบประมาณะอะไรต่างๆเข้ามาช่วยกันเนี่ยมันไม่มีอะไรสายรอกแต่เราจะช่วยกันคิดเจอกันทำจริงๆเยาวสภาพปัญหาในปัจจุบันนี่มีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่มันอยู่ที่ไหนล่ะเราเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการก็รู้ปัญหาเยอะถ้าบวงหมาวยใจะะก็รู้ปัญหาเยอะกระทรวงสาธารณสุขกร็รู้ปัญหาเยอะโดยเฉพาะมาไทยเนี่ยรู้ปัญหาเยอะ กระโหลมเองเขาก็มีรู้ปัญหาทั้งนั้นน่ะเขามากองรวมกันเลยระดมปัญหาเหล่านั้นมากองรวมกันแล้วมาแยกประเภทแยกประเภทจัดหมวดหมู่ของสภาพปัญหาเราจะเห็นว่าจริงๆมันไม่มีกี่ปัญหาเราเพียงแต่มันแตกต่างโดยภาษาที่สื่อสารนั้นนั่นเองคนมันไปเถียงไปยึด ต, ติดในรูปแบบโดยไม่เข้าใจว่าถ้าแก้ตรงนี้ต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ แต่ว่าต่างคนต่างก็ก็เก่งนะฮะคือคิดว่าวิธีตัวเองนะถูกต้องแต่ที่จริงในวิธีไหนก็ได้แต่เราเข้าถึงปัญหาจริงๆมันเริ่มต้นไหนก่อนก็ได้แล้วก็ศึกษาเมื่อเราได้ปัญหาชัดเจนแล้วนะสภาพปัญหาชัดเจนแล้วก็สาวไปถึงสาเหตุในรอนปัญหาบางอย่างเนี่มันติดอยู่แค่สังคมแค่เศรษฐกษิจแค่การเมืองแค่ความมั่นคงแค่การทหาร อันนั้นที่จริงมันไม่ใช่ปัญหาหรอกมันเป็นอาการเฉยๆมันเป็นอาการของของปัญหาเฉยๆตัวเอ่อตัวสาเหตุจริงๆเนี่ยมันต้องมาจากกิเลสแล้วกิเลสแล้วสรุปรวมเ ป, ป็นโรคบวลงแน่นอนว่าสาเหตุต้องมาจากกิเลสปัญหาที่เราจะต้องแก้มันไม่ใช่แก้ที่สภาพปัญหามันต้องแก้ที่ตัวกิเลส คืลอลดกิเลดลงไปวันก่อนเนี่ยไปอภิปรายก็มีรองประธานวุฒธธิสมาชิกอยู่ด้วยท่านเ่งเนะเขามาว่าท่านยังไม่เข้าใจเข้าใจไม่ตลอดเขามาพูดว่าสมาชิกในพระพุทธศาสนาเนี่ยการเลี้ยงชีพในทางทศาสนาการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านสรุปรวมเป็นว่าสมาชิกกัสมาปฏิบัติเนี่ย คือหมาความว่าเนื้อหาของการศึกษานั้นกิเลส ต, ต้องลดลงอย่างน้อยคุมใจตัวเองระดับเขาเรียกระดับกุศลกบฏสิทธะคุมใจตัวเองอย่าให้โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นอาจจะแว บ, บขึ้นมาบ้างแต่ก็ศึกษากรรมวิธีในการได้มาแต่ไม่ใช่ไปละเมิดสิทธิของเขานะฮะศึกษาถึงวิธีในการได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการเหล่านั้นแล้วก็ควนควายพยายามไปในทางที่ชอบจะควร อาจจะไม่พอใจอาจจะโกรธบ้างนะฮะแต่ว่าอย่าถึงก็ผูกโกรธอย่าถึงก็อาฆาตพยาบาทกันเราอาจจะโง่ อ, อาจจะงม ง, งายไปบ้างนะฮะในเรื่องบางเรื่องเนี่ยแต่ว่าอย่าถึงก็เตลิดออกไปนอกคันรองแห่งธรรมนั่นคือปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจปัญหาตัางคปนปัญหาการเมืองปัญหาความมั่นคงนแล้วกระเพานก็พูดถึงการศึกษาโลกุตราโลกิยะบางคนละเรื่อง น, นะ โลกีญาติโลกุตระก็ตามนะฮะประการสาคัญว่าถ้ากิเลสเธอไม่ลดแล้วเธอแก้ปัญหาไม่ได้เลยเพราะวเวล า, ราพระพุทธเจ้าทรงแสดงสุขของกิริานะฮะสุขของกิริยานี่สุขจากการมีทรัพย์สุขเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายทรัพย์สุขซึ่งเกิดขึ้นจากการไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครแน่นอนตัวนัน้นเป็นผลนะฮะการมีทรัพย์ก็เป็นผลการใช้จ่ายทรัพย์มันก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมีทรัพย์ การไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นมันก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากเรามีทรัพย์ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินของคนอื่นเพรา ะ, ะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องได้มาโดยความมันขยันโดยความฉลาดมีดวงตาที่จะมองสิ่งต่างๆแล้วก็มีปัญญาในการตรวจสอบพิจารณาทเทียบเคียงตลอดถึงมีที่พึ่งพํานักอาศัยที่เราเรียกว่า ปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนก็อาจจะเป็นอะไรอาจจะเป็นธนาคารอาจจะเป็นคนร่ํารวยอาจจะเป็นรัฐอะไรตระไรก็ตามให้การสนับสนุนอย่างเวลานี้ที่สนับสนุนธนาคารของประชาชนให้กู้คนละหมื่นห้าไรเนี่ยเอาไปลงทุนเนี่ยมันก็คือการมีทรัพย์สามารถใช้จ่ายแล้วไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครแต่อย่าลืมฮนะว่าเธอทํางานนั้นต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดสินทรัพ เป็นการงานที่ปราจ่าโทษเป็นความสุขซึ่งจะเกิดขึ้นจากการงานที่ปราดจ่าโทษไม่ว่าเป็นวิชาชีพอะไรในโลกอะมันกิเลส ต, ต้องลดอะ่ะเพราะปัญหามันมาจากกิเลสและพระเจ้าก็ไม่ได้สอนลดหมดเพียงแต่ว่าทํำยังไงระดับเนี้ยระดับสัมมากัะมันตะสมาชีวะของเธอเนี่ยใหญ่ยยแรงเกินไปใหญ่ยยโลภมากเกินไปใหญ่ยยโกรธมากเกินไปริษยายมากเกินไปโง่ามากเกินไ ป, ม, นไปมีปัญหา แล้วข้อต่อไปก็คือการพยายามที่จะทำความเข้าใจนะฮะว่าไอ้ทรัพย์สินอะไรต่างๆที่คนอื่นก็ถือครองครอบครองกันอยู่เขาจะได้มาในทางอะไรถ้าเขาได้มาในทางที่ไม่ชอบทำก็จะรับรวยอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันการการงานมันมีโทษ บ้านเขาจะพ้นความผิดไปไม่ได้แต่ปัญหาสำคัญว่าตรงนี้พอเราไปพูดกับชาวบ้านเนี่ยมันจะพูดยากโดยเฉพาะกับนักวิชาการเนี่ยเป็นพวกที่พูดยากมากเลยพูดกับเขายากมากเลยคือเขาถือว่าสิ่งที่เขารู้นัะถูกต้องพระก็เชยเชย เ, เด้ออะไรแต่ไรเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยฟังเราเพราะเราจึงแก้ปัญหาไม่ถึงไม่ถึงสาเหตุ แก้ปัญหาแบบเกา่าเก่าที่คันอยู่เรื่อยแล้วก็ต่อไปเนี่ยเมื่อเรามาศึกษาถึงที่มาได้แล้วกําหนดเป้าหมายคือการบรรเทาปัญหาเหล่านั้นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาต่งคนปัญหาการเมืองปัญหาความมั่นคงกับบรรทถ้าบรร เ, เทาสักจุดมันบรรเทานะฮะอย่าไปนับก็เล่นๆได้เงี้นเด้เงนับไปเรื่อย เราไปนึกว่ามันเป็นอัน ญ, ญามันย่าปัจจัยกันคือเป็นปัจจัยของกันแอะไรกันแล้วตัวใหญ่จริงๆเนี่ยมันเป็นอยู่ที่การมองเวลาเนี้ยชาวบ้านส่วนใหญ่มองที่เศรษฐกิจเป็นหวงเป็นใยเรื่องเศรษฐกิจกันเหลือเกินทํายังไงว่าจะทําให้รายได้มันเกิดขึ้นเท่านั้นเท่านี้นเท่านอนอะไรเนี่ยแล้วก็คิดจะเพิ่มแข่งแข่งกับคนอื่นเรื่อยๆไป ถามว่าถ้าเอาอย่างนั้นแล้วเมื่อไหรเมื่อไหรคุณจะรู้สึกว่าพอดีล่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะคนเรานั้นต้องเป็นกลามความเจริญเติบโตตามเหมาะตามควรแนละต้องคุมโลภนะฮะความโลภในเป็นอันต ร, รายต้องทำทั้งหลายเรามองด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะจังเวียนเนี่ยบางบางทีเราก็เห็นอย่างสมัยตรงนี้เราจะเห็นปลาเนี่ยมันวางไขย่ยเยอะเลย แม้แต่อาหารบิณฑบาตอาหารที่ญาติโยมนำมาเท่าไหร่ตรงที่ก็เจอปลาไขาปา่ปลาเยอะเลยไปต่างจังหวัดในมาเทศบอ่อยอลูกอาญาโยมเขาเราไม่พูดถึงขนาดว่าให้เขางดเว้นจากการาธิบัติเราจะทำยังไงในแง่สังคมนะในแง่สิ่ธรรมนะคือไม่จับปลาในรูหวางไข่ระหว่างที่ลูกมันยังเล็กอยู่แต่เราไม่บอกให้เขาจับเมื่อไหร่นะก็บอกไม่ได้ เราทํายังไงว่าอย่าจับได้ไหมช่วยกันสงวนทรัพยากรธรรมชาติของชาติของโลกนะไม่ใช่ของชาติเอาไว้แล้วก็อยู่ที่การมองว่าปัญหาต่างๆที่ออกมาตอนปลายนะเนี่ยโดยเจนว่าเป็นวงจรวงจรอย่างี่ท่านเล่าถึงหมาอยู่ในรังหญ้านะมันเป็นวงจรต้นเหตุมันมาจากหมาอยู่ในรังหญ้า ทำให้โคไม่ได้กินหญ้าเพราะไม่ได้กินหญ้าโคแรงเกน้อยเมื่อแรงน้อยก็ไถนาได้น้อยไถนาได้น้อยก็หวานได้น้อยหวานได้น้อยก็ปักดำได้น้อยปักดำได้น้อยข้าวก็ตั้งท้องได้น้อยสุกได้น้อยเก็บเกี่ยวได้น้อยขึ้นลานได้น้อยขึ้นยุ้งได้น้อยขายได้น้อยแล้วก็ได้เงินมาน้อยเห็นว่ามันเป็นมันเป็นปัจจัยการอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นถ้าเราไปคิดแก้ในทางเศรษฐกิจมันเพิ่มโลภะกับโมหะแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเศรษฐกิจนั้นแน่นอนต้องมีแต่ไม่ใช่ว่าร่ํารวยเป็นมามนาทางเศรษฐกิจมันไม่ใช่สนุกนาเป็นมามนาทางเศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่ญาติโยมกขนิี่บุไปประเทศจีนเนี่ยมาอย่างเสียดายจะตางอยู่ทีต๊ะบ้นที่พักเนี่ยเขาเชาวไว้พักคืนมันเป็นหมื่น เรว่าโอโหเงินหมืน่นมันก็จ่ายได้ดังนานนะฮะเรามันนอนได้คืนเดียวแล้วก็ครึ่งคืนนะนอนก็อ่านหนังสือส่วนใหญ่ก็อ่านอ่านหนังสือมันดูแล้วมันไม่คุ้มและในสุดเราก็โตขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเราจะเห็นว่ามันมีวิธีสลายเงินของเศรษฐีเนี่ยมันเยอะ และทีนี้ทรัพยากรธรรมชาติก็ถูกทําลายไปเรื่อยๆนะฮมันกลายเป็นกระบวนกา ร, ราลองสาวดูดเลยที่มาของสิ่งเหล่านั้นก็คือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบทั้งหลายเนี่ยทรัพยากรปฐมภูมิทั้งหลายนี่ก็ถูกทําลายไปเรื่อยๆแล้วโลกมันก็บกพร่องเสียสมดุลมีปัญหาต่างๆติดตามมาอีกมากมายไกล่ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปศึกษาสภาพปัญหาชัดเจนมองสาเหตุที่มาของปัญหาให้ลึกและกําหนดเป้าหมายเสร็จแล้วก็ กำหนดกรรมวิธีคือหลักการวิธีการที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นซึ่งแน่นอนมันก็อยู่ในโครงสร้างของอริยมรรคในองค์ประการเพียงแต่ว่าจะต้องมองอริยมรรคให้เกิดความเข้าใจว่าอริยมรรคโดยเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกุศลธรรมส่วนเหตุทั้งปวงะจะมีกี่หมื่นกี่แสนก็ช่างกุศลธรรมส่วนเหตุทั้งปวงนั้นเป็นอริยมรรค เพราะถาเรามองดูถึงสภาพจิตของพระอาหา ร, ราหันต์พระอรหัน์ท่านก็อยู่ในภาคของนิโรธกับมรรคภายในใจของท่านมีนิโรธกับมรรคไม่มีทุกข์กับสมุทยัยท่านก็เข้าถึงความสุขที่สมบูรณ์แต่ว่าเราทําขนาดนั้นมันก็ยากไปนะนะคือท่านยังไงบ่รลุทุกข์โดยลดที่สมุทยัยโดยอะไรดยการเพิ่มที่มรรคแล้วมันนิโรธมันจะเพิ่ม หมายความว่าถ้าเราดำเนินกรรมิธีในทางที่ถูกต้องแล้วอาการของกิเลสเนี่ยจะลดลงไปความสุขก็จะเพิ่มขึ้นความทุกข์เนี่ยต้องลดนะฮะเพราะนี้คนอยู่คนเราฟากกันนะทีนี้จิตใจของคนเราโดยทั่วไปเนี่ยเราไปอยู่ในกระแสของทุกข์กสมุทัยเนี่เยอะในแต่ละวันเวลาอารมณ์ที่มาดู เมอก่อนเดินผ่านที่วัดเนี่ยนะก็เด็กเขาเล่นอะไรอินเทอร์เน็ตก็เรียกอินเทอร์เน็ตจะมองเข้าไปก็เห็นภาพเอ๊ะเลรุ่งเช้าก็เรียกมาอบรมไปเลยคือเราจะเห็นว่ามันเป็นอันตรายเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่เวลานี้มันมีความเป็นอันตรายมันมีคุณนันแต่ก็มีโทษมหาร ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครแต่ปัญหามันอยู่ที่อะไรเราจะดูอะไรหรือไม่ดูอะไรเพราะมันมีเยอะเหลือเกินแต่ว่าการควบคุมใจตัวเองเอาไว้เนี่ยมันมีก็ชั่งมา น, นะเราไม่ดูมันก็จบับเหมือนเหล้ามันอยู่ในขวดเราไม่ดื่มมันก็จบแล้วบรีอหมันอยู่ในซองเราไม่สูบมันก็จบแล้ว ปัญหาเยอะนะฮะปัญหาเยอะที่เราวิ่งเข้าไปหามันเองปัญหาไม่ได้วิ่งมาหาเราแต่เราก็วิ่งเข้าไปปัญหาวิ่งเข้าไปหาปัญหามันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากระบบความคิดความคิดเนี่ยเราเวลาเนี้ยเราเราพูดเรื่องความคิดกันเยอนะโดยเฉพาะในพวกที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาเรื่องอะไรเนี่ยแต่บางทีเราก็ดูเอ๊ะท่านทัน้ง ท, ท่านเข้าใจจริงหรอือเปล่า ดีฉันบอกว่าท่านต่อต้านการจํานักวิจัยคนนี้ออกกันมาใหญ่เลยต่อต้านการจําแต่เราก็รู้สึกว่าการจํานั้นเป็นงานของจิตการศึกษาคือกระบวนการของจิตตัวที่จริงมันเป็นการพัฒนาขันงได้ําไปทีนี้ถ้าจิตไม่จําในจิตจะ อ, อะไรมาคิดก็นึกไม่ออกเลยว่าถ้าจิตไม่จําในจิตจะ อ, อะไรมาคิดแล้วก็มีการเขียนหนังสือเรื่องครูพรคนสอนลิง เขาสอนลิงนี่เขาให้จําสีน้ําตาลนะสภาพแวดล้อมรอบตัวลิงนี่มีแต่สีน้ําตาลให้จับสีน้ําตาลจับอื่นก็กรตุกจับสีน้ําตาลแล้วเขาก็ถือว่าถูกต้องมันสร้างจนเป็นลักษณะนิสัยเป็นความเคยชินเป็นสัญชาตญาณใหม่ถ้าคนเราอาจจะเรียกวัานาทําใหม่ก็ได้เป็นสัญชาตญาณใหม่อเอครับ มันปล่อยแกไปขึ้นไปบนต้นไม้เนี่ยแกเก็บม า, าเฉพาะที่ไอ้เปลือกสีน้าตาลสีน้ำตาลแบบเปลือกมะพร้าวมานะนั่นก็แสดงว่าความจําอ่ะเห็นไหมว่าเอาก็จริงเนี่ยเราเร า, เราคิดเราคิดจริงหรือเปล่าเราคิดเห็นทั้งระบบหรือเปล่าที่ว่าการเรียนนั้นไม่ไม่ให้ท่องจําเป็นนกแก้วนกขนทองเนะี่ยยังนึกไม่ออกนะฮะว่าปูเราเองชื่ออะไรเนี่ยถ้าเราไม่จำเราจะรู้ได้ พวดเราเองย่าเราเองเนี่ยเราต้องจําทั้งนั้นเนี่ยพ่อชื่อพ่อชื่อแม่ชื่ออะไรต้นไม้อะไรแต่ไรเราต้องจําทั้งนั้นแต่มันต้องถึงท่องหรือไม่ท่องเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งมั็นธรรมชาติของจิ ต, ตจะไปจําอารมณ์เก็บอารมณ์สะสมอารมณ์เพราะฉะนั้ น, ป, นปัญหาการาศึกษาเนี่ยเราสังเกตว่าถ้าเราเดินไปตามหลักพระเจ้าว่าคือรูประดมปัญหาแล้วก็ระมความคิด สึบสาวไปหาปัญหาเหล่านั้นสาให้มันถึงก้นบึ้งจริงๆและระดมหลักการวิธีการกันมาซึ่งแน่นอนว่าพระพุทธศาสนาตอบคำถามได้ทุกกรณีเพียงแต่ว่าเราพร้อมที่จะเดินไปบนเส้นทางที่พระเจ้าทรงแสดงไว้หรือไม่แต่นั้นเองต้องฟังทั้งหลายแต่ลมงปบุทยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเานึ่งคงนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบูญในธรรม ยังมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี